อตุรายังนิยุลชติแปลว่าคนมีปัญญาซามย่อมประกอบกิจการที่ไม่ได้เรื่องได้ราวสวัสดีครับท่าน เหตุทุกๆออกพรรษานี่ท่านจะถือทุรดงเป็นๆพบ คือเห็นเห็นบ้านเขาอ่ะอ่าบ้านชาวป่าเนี่ยเห็นแต่ไกลแต่ว่าเป็นเวลาเลยเพลแล้ว กระทั่งเวลาผ่านไปถึง 3 วันร่างกายก็ 3 ท่านก็ตั้งใจไม่หยุดพักกันละจะมืดค่ํา ท่านก็เห็นแสงไฟตรงจุดเดิมอีกว่าต้นไม้เดินไปพักใหญ่แสงไฟก็เกิดดับหายไปอีกอาจจะบัง หลวงปู่หมายตาไว้ไม่พลาดแล้วก็ย่างไม่ดับหายไปอีกเดินเท่าไหร่ดูเหมือนระยะห่างก็ยังเท่าเดิมๆที่เดินไม่หยุดมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วพอที่โคนต้นไม้นั้นวางอัฐบริขาร จากนั้นท่านตัวล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับปล่อยไปด้วยความอ่อนเพลียจะนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบมารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเพราะว่ามีใครมาสะกิดที่หัวเขาพอลืมตาขึ้นมองก็ ง่วงกงง่วงแถมยังอดยิ่งดึกอากาศยิ่งหนาวเน็บไม่ได้ฉันมา พร้อมกันนั้นก็รู้สึกอบอุ่นสบายเนื่อง ก็เห็นรอยเท้าสุนัขนับ 10 ตัวเหยียบย่ำอยู่ หรือมันก็ออกจะผิดวิสัยหากจะเป็นสุนัขป่ามันก็ น่าจะเชื่อว่าคงเป็นวิญญาณพระทุรงที่ แล้ววันนั้นหลวงปู่ธรรมะ 3 ทะลุวังช่วงของ จริงๆแล้วเนี่ยลุงดวงแกเป็นคนบ้านนอกคอกผมหงอกวันๆแกก็อยู่บ้านๆแดดๆถือมีดเล่มนึงเล็กๆที่ชอบขึ้นแซม ก่อนโนนแกเป็นคนดุลูกเต้ากลัวหมดอ่ะพูดคําไหนต้องคํา เขาหนีส่วนลูกสาวก็อยู่บ้านได้ดีไปขับแท็กซี่มีเงินมี แกเป็นคนดุก็จริงแต่ว่าเมื่อวิดปลาได้มา 3 คนก็แบ่งปลาให้ไปกินที่เหลือก็ แกทําอย่างงี้เหรอปีแล้วปีหลังแกคิดว่าไอ้การทําอย่างเนี้ยคือหักแกคิดของแกอย่างงั้นแกบอกแกเคย มันคงไม่ได้โกรธแซงจะรอกแต่ที่มัน ลูกสาวได้ไปทํางานโรงงานกัน 2 คนเลยนานๆ มันพาไม่สบายใจด้วยสู้เดินสายกลางดีกว่าลูกๆก็สบายอกสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสเมียก็โล่งอกมีอะไรก็พอจะพูดกันได้ตอนหลังนี่แกไม่ๆต้อง นั่งคุยกับใครก็ต้องบิดคอปุ๊บๆๆบิดคอเรื่อยนะบิดแล้วมันเอ๊ะมันเป็น ปวดจนทนไม่ไหวบิดคอแล้วก็ยังไม่โล่งยังก่อนทีหลัง พยายามจะเอาธรรมะเข้าช่วยข่มแวะอ่าวันนี้ไม่ใช่ตัวก่อนแล้วก็ให้กลับ ยายคนนึงจะอยู่ข้างบ้านมาหาแกที่บ้านแล้วทีเดียวมาพูดกับแกบอก ทีนี้ปู่ยายคนนี้มาพูดเมียแกก็ยิ่งร้อนใจยายก็ชวน รีวอตีควายก็เคยตีอยู่แล้วแต่ไม่เคยไปฟาดเออเห็นทีจะใช้แกพระ ทำเขาไว้กรรมนั้นก็ย้อนกลับมาทํามามั้งอยู่ยาอะไรก็รักษาไม่หายหรอก วันแล้ววันเล่าเป็นปีๆแกก็ยังทําบุญใส่บัดแต่ก็ไปหาหมอที่นั่นที่นี่แล้วเออเห็นทีแก แกมาบวชมาอยู่ในผ้าเหลืองเมื่ออายุ 60 ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทำดีทุกสิ่งทุกอย่างแผ่ หายปวดคอแล้วก็ยังบวชต่อไปอีกบวช 5 ปีถึงได้สึกออกมาที่สึกออกมานั้นก็เป็นเพราะว่าพระแก่อยู่ในผ้าเหลืองช่วยๆเขา สบายเนื้อสบายตัวถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุข 3 วันก็จากไปมันรวดเร็วแม้แก ที่เมียจากไปได้ปีนึงแกก็ทําบุญครบรอบวันตายให้เมียลูกๆมากันหมด ขอหักตายครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องของกรรมนะคุณเสาวลักษณ์เนี่ยเล่า เมื่อปี 2520 เนี่ยตอนนั้นแก่อายุ 19 ปีพอดีเรียนจบ ม.ศ. 5 แล้วก็ยังไม่ มันก็เลยเอารถไปก็เลยเอารถไปทีนี้พอขาดรถก็ไม่มีเงิน คุณเสวรศักดิ์ก็เห็นว่าอยู่บ้านก็ไม่มีรายได้อะไรสักสลึงก็เลย แสงแถมยังเป็นบ้านหลังใหญ่ส่องรอดลงผอมก็ผอมพื้นดินก็ลําบากเต็มนุ่งจรบเบนผ้าสี ดูแล้วเหี่ยวย่นไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหน้าหรือว่าเนื้อที่ท้อง อย, อย, 90 อย่างก็ อย, อย, อย 80 กว่าแล้วปากแกบแบะฟันไม่ที่คุณเสวรักษ์ คุณเสวรักษ์ก็ได้กลิ่นเหม็นตลกไปหมดก็คิดว่ากลิ่น แกไม่เคยมองด้วยห Leben ไม่ตาเลยบอกไม่ถูกมีวันตอนข่ายครำแกนั่งอยู่ในห้องที่แกนอนอยู่ๆแกก็พูดออกมาว่ะพูดกันไม่รู้เรื่อง ไม่ให้มากertainตรงนี้ กวกอย่างมาไม่รู้เรื่องอียูพินไปนะไปซ่ะอย่าไม่ยุ่งกัน ไม่ใช่อย่ามาล้องดีอย่างมึงนะอย่ามาร้องดีพอเช้าป้าทองดี นอนตายอยู่ข้างอ่างน้ําในครัวนะใหญ่แขรู้แกไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าคุณสวระสินั่งไม่ติดแล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ย ทีนี้คุณเสวรักษ์ก็นอนระแวงว่ายายแข่นี่จะมาทําอะไรอ่า ไม่เอาแกไปเลี้ยงที่บ้านก็เพราะว่าเหตุผัวป้าทองดีเนี่ย มันก็มาเอามึงไปก็มาเอามึงไปคุณสวัสดิ์รักนั่งอยู่ที่ระเบียงห่างจากยายหลายวาเสียงพูด สวัสดิ์รักตกใจมากเกือบจะโดนเรือนหนีแล้วรีบยกมือไหว้พระให้ เขาว่าใช้สารหนูค่อยๆใส่ให้เมียกินจนป้ายุพินทนไม่ไหวตายลงไอ้ ก็มีผู้หญิงคนนึงยายคนนี้ชื่อยายสมจิตแกชอบมานั่งคุยพอแกรู้ว่าๆแกก็เล่าเรื่องนี้แกบอกว่าแกเคยรู้จักผู้หญิง ทั้งที่ไม่ได้โดนอะไรมันฟาดมันทุบไม่มีใครทําร้ายล้มลงไปเองคนมานอนพรบอยู่อย่างงั้นน่ะกราบเป็นฝ่ายถูกถามก็งงถามมันไปถาม เป็นหลายหนจนคนก็พากันพูดว่าเจ๊กคนเนี้ยคงจะเป็นโรคลมบ้าหมูล้มลงไปนอนบ่อยๆก็ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรไม่ได้ แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ชอบก็ไม่ๆนานาไม่ว่าใครจะพูดแอจิตพูดเหม่อลอยใจลอย จำต้องรับเป็นคนทรงเป็นเรื่องที่น่าแปลกยายคนนั้นหรือยายสมจิตน่ะเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่รับเป็น แล้วก็เกิดพลั้งพลาดไงไม่รู้ยืนรอรถจะกลับบ้าน ทีนี้เรื่องที่น่ากลัวมากในเวลาต่อ 2 คนเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่เป็นลูกศิษย์สว่างเด็ก 2 คนนี้ แต่ว่าพอตกดึกพวกนั้นก็หลับหมดนี้เด็กคนนึงสะดุ้งตื่นเห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวทั้งชุดเลยมายืนอยู่ที่ข้างๆโลงศพก็ปลุกเพื่อนอีกคนนึงให้ตื่นมาดูก็เห็นว่าเป็นความจริงเห็นแต่ข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่สังเกตเห็นกันว่าร่างนั้นยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่โดยที่บ่ได้ยกหลังมือเช็ดน้ําตาแต่อย่างใดแต่ว่ามี เพราะว่าเห็นหน้าถนัดแล้วเด็กๆรีบยกมือปิดหน้าด้วยความหวาดกลัวเสียแล้วอ่าร้องด้วยร้องไห้ด้วยขวัญหนีดีฝ่อ พักเดียวเท่านั้นแหละศาลาเหลือตะศบ